นำพาด้วยคนนุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบาัน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 เรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงนี้คงจะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด COVID -19 โควิดสินะครับซึ่งก็ในส่วนของหลายๆส่วนนี้ก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหากันอยู่นะครับนะซึ่งตรงนี้นก็ ช่วยกันในทุกภาคส่วนแหะครับวันที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่9มิถุนายนพลเอกนัฐพลนาคพาณิชเลขาธิการของสองมชสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ในฐานะผู้อำนวยการสปรกรสบคก็บอกว่าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนที่สบคนี่จะ ได้ปลดล็อกให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้นะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็การสั่งซื้อนี่นะครับนะก็มีเงื่อนไขมีต่ต่างก็ต้องไปดูระเบียบแต่ว่าก็เป็นการปลดล็อกลครับก็จะทำให้ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครก็ดีหรือว่าในส่วนของอเทศบาล น, นะครับนะสามารถที่จะจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนนะครับในในเขตที่ตัวเองดูแลได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูหลักเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับนะและก็นในส่วนของสอบอคอนะครับนะ โฆษกสบคผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์จริงอภิสมัยศรีหลังสรนเปิดเผยเมื่อวันที่10มิถุนายนถแถลงถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ของไทยเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าในวันที่9มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อใหม่ 2,680 รายนะครับนะซึ่งก็ และเป็นการติดเชื้อในประเทศประมาณ2 3 0 0นระารายนะครับนะก็มาจากาการเฝ้าระวังนะครับ 1400, แล้วก็มีการตรวจหาเชิงลุกในชุมชนประมาณ900นะกว่ารายนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ส่วนใหญ่นี่ก็ติดกันอยู่ในในประเทศนะครับนะนะต่างประเทศที่เข้ามานี่ก็ยังมีน้อยตอนนี้เรามาีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1แสน0 0 0กับ28ลรายนะครับนะอยู่ในระหว่างการรักษาประมาณ 47,600 ืรรายรอาการหนักประมาณ 1,286 งรายเสียชีวิตเพิ่มอีก35ลารายวันที่9มิถุนาย น, นครับซึ่งตรงนีน้ีก็ส่วนใหญ่จะเป็นแถวกรุงเทพนะครับนะ แถวนนนบุรีแถวกรุงเทพและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่นะครับและอัตราการฉีดวัคซีนเมื่อวันที่8วมิถุนายนบอกว่าฉีดไปแล้วประมาณ4 0่แส2 8โดงนดะครับนะเป็นเข็มแรกประมาณ4 0 0 0 0 0สองห0ดหกว่าลายเข็มที่2กับประมาณ 4,3,000 หกร้อยลายก็ทำให้ยอดสะสมการฉีดวัคซีนของไทยเราในตอนนี้ทั้งหมดก็ประมาณห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันกับหกสิบก้าโดสนะครับเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็เป็นตัวเลขที่น่ามีความก้าวหน้าแหะครับน่าพอใจนะครับถ้ามีการอัตราการฉีด ในขนาดนี้เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้ก็คือพยายามที่จะฉีดให้เกิน 70% ของประชากรล่ะครับนะแล้ววันที่10มิถุนายนนี้แพทย์หญิงอพิสมัยบอกว่าจะมีการตรวจตามแคมป์คนงานก่อสร้างอะไรต่างๆด้วยนะครับสำหรับ5จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อใหม่มากที่สุดนะครับนะก็ได้แก่กรุงเทพ มหานครนี่ก็ติดเชื้อมากที่สุดแหละประมาณหนึ่งพันกว่ารายแลครับสมุทรปราการก็สี่รอยนนทบุรีร้อยสาสิบสองคนนะครับประจวบคีรีขันธ์เก้าสิบเอดปทุมธานีหกสิบเอ็ดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามโรงงานต่างๆแล้วครับนะก็เป็นตามโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งก็จะต้องควบคุมให้ได้ตอนนี้นี่มี การระบาดเป็นคลัสเตอร์ทั้งสิ้นประมาณ70คลัสเตอร์นะครับนะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังนะครับนะ่ะส่วนใหญ่ก็อยู่แถวกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็จะต้องกรุงเทพนี่จะเพิ่มมาตรการในการป้องกรรันแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งมีอยู่ประมาณ4 9่แห่งนะก็จะลงตรวจลงไปตรวจแคมป์คนงานนทุกแคมป์เลยนะครับนะก็จะปีกัน เฝ้าระวังสูงสุดว่าอย่างนั้นนะครับในส่วนของสอบคนะครับนะสบคจะดูตามตันนะครับแล้วก็จะนอกจากนี้นี่ก็ยังจะให้มีการพาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนด้วยนะครับตอนนี้นี่แรงงานต่างด้าวนี่มีทำงานผิดกฎหมายอยู่ประมาณ 200,000 รายซึ่งอยู่ในกรุงเทพประมาณ 70,000 ลายว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งที่ประชุมคอรามอ ก, ก็ จะขยายเวลาให้ให้กลุ่มนายจ้างนนําแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียนนะจะขยายไปจนถึงเดือนกันยาเพราะฉะนั้นนี้ตรง น, นี้เพื่อที่จะมีการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการขึ้นทะเบียนไม่มีการสํารวจนี่ก็จะเฝ้าระวังกันได้ยากนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้นก็คงจะต้องอเข้มงวดกันขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของ แรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่อยอยู่ตามแคมป์ก่อสร้างกันกันเป็นหลักมาลับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 ทุกันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุ่ยฐานักที่ยังลมป่วยพ่อรวยโปรดช่วยที่ทาสัมุทธชิตาจะสัจานิ ชิตสภะโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาภรรมสภัสสิทธิพวันตุเมสาธุสาธุสาธุ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 รวยโปรดช่ว ย, ยนำทางครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วง น, นี้เราจะ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนกันกันมากนะครับมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอกับผู้บอบบางนะครับอย่างเช่นครูบาอาจารย์ตามจังหวัดต่างๆนี่ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วรวมทั้งคนชราคนที่เป็นโรคอยู่7โรคก็ดีนะครับรวมทั้ง ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับนะก็ต้องฉีดเร่งฉีดกันนะครับไม่มีวันหยุดเสาร์ทิศนะก็ต้องอปลบมือให้ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ทุ่มเทการการทำงานนะครับกัน ก, นกนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนะในส่วนนี้แล้วก็มาดูในส่วนของในแพทย์ยงผู้วันนะครับนะวรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาก็บอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมีการเว้นระยะห่างนะของไทยเรานี่เว้นระยะห่างสิบสัปดาห์เป็นสิบหกสัปดาห์นะครับซึ่งก็มีการห่างกันมากนี่ก็เป็นไปได้หรือไม่นี่ก็บอกว่าสามารถที่จะกระทำได้นะครับนะก็คือเว้นระยะห่างนี่ก็จะทำให้ มีประสิทธิภาพาดีนะครับนะในแพทย์ยงว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้ก็ต้องฟังนะครับนะการชี้แจงนะครับนะแล้วก็ในส่วนนี้นี่ก็บอกว่าการาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเข็มเดียวให้ประสิทธิภาพถึง 80% เนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เข็มแรกนี่ก็จะมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วในแพทย์ยงว่าอย่างนั้นส่วนเข็มที่2ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพเป็น เกกว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็คือฉีดแต่เว้นระยะห่างกันได้นะหมอยงว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ อ, อย่างบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะต้องควบคุมโรคให้เร็วที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งในการฉีดวัคซีนนะครับนะแล้วก็ป้องกันต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดกลายพันธ์โดยเฉพาะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ นะครับว่าจะเข้ามาหรือไม่เนี่ยจะต้องกันลำบากหมอยงว่าอย่างนั้นนะครับนะก็คงจะต้องก็ต้องดูเมื่อวันที่สิบมิถุนายนเนี่ยในส่วนของสภามีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมนะก็เขาเรียกว่าพรลบเงินกู้ห้าแสนล้านนะครับก็ มีรมัฐมนตรีคลังมาชี้แจงความจําเป็นต่างๆซึ่งตรงนี้ในส่วนของอสสก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับเรื่องความเหมาะสมเรื่องอจํานวนเงินกู้ในส่วนของอนายยุทธพงศ์จรัสเทียนสสมหาสรารคานเพื่อไทยไคานทวงติงว่าพหลรบดังกล่าวก็ไม่มีรายละเอียดก็อยากจะให้มีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็เป็นการ มีภาควิจารณ์ว่าอยากให้ใช้แก้ปัญหาอย่างตรงเป้านะครับนะก็จะได้แก้ปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีขอมีรายละเอียดแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับนะก็เป็นการมุมมองของฝ่ายค้านแหะครับนะของฝ่ายค้านในการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนนายนัชชาบุญชัยอินท์พักคก้าวไกลก็อภิปรายไม่เห็นด้วยนะกับพลกฉบับนี้นะครับนะว่า ใช้ลงไปแก้ปัญหาอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับและก็เป็นความเห็นของฝ่ายค้านนะครับส่วนนายสาธิตวงหนงเตยสอสอตรังนะประชาธิปัติ์ก็บอกว่าเราอยากจะให้นะการเยียวยาเนี่ยนะให้ประชาชนฟื้นตัวจริงๆนะอาจจะต้องไปหนุนเยียวยา SME นะครับนะธุรกิจขนาดย่อยเพื่อให้ชาวบ้านนี่ฟื้นตัวนะก็เป็นความเห็น ที่หลากหลายนะครับนะของในส่วนของสสในสภาเพราะว่าเงินกู้เนี่ยมีจํานวนสูงก็ต้องอติดตามการทํางานล้ครับนะของของรัฐบาลให้มีการใช้เงินในการมาฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเยียวยาผลกระทบให้เต็มที่นะก็ต้องติดตามตรวจสอบกันไปทําหน้าที่ของอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสะําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่ เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธานานต้องขอลาท่า น, นไปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ปีนี้เมืองไทยคงเหงานาเราคงเลื่อนอีกแล้วแก้วตาโควิดนายทินจากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามาส่งแมทให้นางตาหนากับแอนก็ฮอสามพอหน้ากัน หากเดินแต่ก็มาเจอบาไววคิดลาจนบ่เป็นอังทางาน mm. เซพษฐีเมืองไทยชาปัปโรกรายเล่ น, นงาน mm. ใส่แมเ่เท็ดเวียกอยู่บ้านอยู่ภายอยู่มันคือทางรอดตา อย่าอยู่ใกล้พายอย่าให้ผู้ดใดใกล้เธอเบาะแม่นห่วงเดินย่านเจอโควิดจากคนชิดใกล้ส่วนอายนรือใช้เจลล้างมือคุณเด็กก่อนล่หักแหงแพงปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเดินลา ตานไทยรุ่งรานหากันและมีสติมีหนทางฟ้าคอยเบิกหน้าจอรออายออนไลนยส่งหายัางเอาเดา อ, อายสัญญาเมื่อโควิดซาสิมาก่อนหนะ้า